วันนี้หลายคนก็กำลังเดินทางกลับบ้านหลายคนตอนนี้ตัวจะยังอยู่บนรถติดอยู่บนถนนยังไปไม่ถึงบ้านเลยแล้วความรู้สึกเนี่ยลองสังเกตดูนะความรู้สึกตอนนี้ขณะที่กำลังกลับบ้านกับความรู้สึกตอนที่อยู่ในช่วงขาไปคงแตกต่างกันมากช่วงขาไปเนี่ย ไปไหนนะไปเชียงใหม่บ้างไปเชียงรายบ้างหรือเชียงคานบ้างจะรู้สึกกระปรีก้กระเพ่าอาจะรู้สึกสดชื่นแต่ว่าตอนนี้ขณะที่อยู่ขากลับเนี่ยอาจจะรู้สึกเพลียรู้สึกล้ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางกายนะความรู้สึกทางใจด้วยคือหอบเฉียว ยังไม่ต้องพูดถึงว่าอาจจะยังหุดหิบกำลังงุดหิบอยู่เพราะว่ารถติดติดหนึบเลยที่ดิงตอนขับไปก็ติดนะโดยเพราะคนที่ไปใช้เส้นทางที่คนนิยมกันเช่นถนนมิตรภาพทางไปอีสานหรือถนนเส้นอื่นในตอนขับไปเนี่ยแม้รถจะติด แต่ก็ไม่ค่อยงุดหงิดเท่าไหร่นะแต่ตอนขากรับติดเหมือนกันนะแต่ว่างุดหงิดกว่าแล้วก็ห่อเฉียวด้วยนะไม่ได้กระปี้กระเป๋าเบิกบานทำไมขากรับเนี่ยจึงรู้สึกห่อเฉียวรู้สึกเพลียเมื่อยละส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สนุกสนานกันเต็มที่ความสนุกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนปรารถนานะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอย่างเนี้ยแต่มันก็ตามมาด้วยความเหนื่อยเหนื่อยกายไอ้ตอนสนุกก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าตอนที่หมดสนุกเลย ตอนที่หมดสนุกตอนที่งานเลี้ยงเลิกราหรือว่าตอนที่เดินทางกลับบ้านก็จะรู้สึกเหนื่อยเพลียแต่นั่นก็ยังยังไม่ไม่ร้ายเท่ากับความรู้สึกทางใจนะห่อเหี่ยวหรือว่ารู้สึก อาจจะมีความกังวลมีความวิตกมีความเครียดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหมดสนุกแล้วนะคนเราเนี่ยถ้าว่าสนุกเนี่ยมันหมายถึงความสุขพอหมดสนุกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ทุกข์เลยนะ ที่จริงการที่ได้กลับบ้านนี่ก็น่าจะดีใจนะส่วนจะได้กลับบ้านแล้วพ่อเคยๆก็บอกว่ารักบ้านแต่ความสุขของหลายคนตอนยุคขณที่กลับบ้านนี่มันไม่ไรู้มีความดีใจเลยมันตรงข้ามนะตอนที่เดินทางไปยังจุดหมายหรือในอยู่ในช่วงขับไป มมีความสุขถ้าเราสังเกตนะใจของเราเนี่ยที่มีความเปลี่ยนแปลงช่วงขาไปกับช่วงขากลับช่วงที่สนุกกับช่วงที่หมดสนุกเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะเกี่ยวกับจิตใจของเราและเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าความสุขเดอย๋ยวว่าความสุขที่เกิดจากการเสพ นะกินดื่มเที่ยวเล่นหรือบางทีเราก็เรียกว่าความสนุกคือเมื่อได้เสพก็สนุกเมื่อได้เที่ยวก็มีความสุขแต่พอการเที่ยวยุติพอการเสพนะยุติสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความทุกข์คือความงอยเหงานะ ตอนที่สนุกเนี่ยใจมันฟูนะแต่พอหมดสนุกเนี่ยใจมันแฟบแล้วมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นะถ้าฟูเพราะสนุกเวลาหมดสนุกมันก็ต้องแฟบถ้าสุขเพราะได้เสพหรือพระได้เลี้ยงฉลองพองานเลี้ยงยุติมันก็เกิดความ พ่อเหียวขึ้นมามันเป็นอื่นไปไม่ได้นะฟูกับแฟบนี่มันของคู่กันก็จะให้มีสนุกไปตลอดกาลก็ไม่ได้นะมีสนุกก็ต้องถึงวันที่หมดสนุกอย่างที่เขาเรียกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราไม่มีงานเลี้ยงไหนที่เลี้ยงกันไปตลอดอาจจะเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่แตบบ่พอถึงวันรุ่งขึ้นนะมันก็ต้องเลิกก็ต้องแยกย้ายกลับบ้านกลับไปสู่ความเป็นจริงของชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเกือบ360วันกว่าจะได้สรุป ก, กันใหม่ าหากว่ายังไม่ตายเสียก่อนหรือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยติดเตียงเสก่อนซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้นะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราก่อนที่จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะอีก1ึงปีข้างหน้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะสังเกตใจของเรานะว่าเนี่ยไอตอนที่เราเที่ยวแล้วเราสนุก แต่พอเรากลับจากการเที่ยวเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะมันมีฟูแล้วก็มีแฟบมีสุขแล้วก็ตามไปด้วยความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการไปที่แปลกแปล ก, ปลกใหม่ๆตื่นตาตื่นใจเป็นบนเขาหรือท้องทะเล หรือว่างานเลี้ยงอาหารที่อร่อยหรืองานปาร์ตี้พวกนี้พวกนี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือว่ามันมีวันเริ่มแล้วก็มีวันเลิกถ้าความสุขเราไปผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เวลาคนเราเนี่ยสุขมากๆเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่าเวลาปัจจัยแห่งความสุขเนี่ยมันหมดมันยุติเราก็จะดิ่งลงมาสู่ความทุกข์ทันทีเลยมันเมื่อก็ขึ้นสวรรค์แล้วสุดท้ายก็ลงนรกนะ คนที่เขาเสพยาเนี่ยอย่างเช่นนโคเคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันมันให้ความสุขแบบที่ไม่มีอะไรเทียบได้เลยนะโคเคนเนี่ยมันสุขบรมสุขเลยนะในความรู้สึก ข, ของเขาแต่ว่าความสุขนั้นมันชั่วคราวซึ่งมันก็ธรรมดานะมันไม่มีความสุขไหนที่ถาวรแล้วพอมันหมดสุขนะ ความรู้สึกนี่มันเหมือนกับดิ่งลงนรกเลยแล้วมันเป็นภาวะที่สุดแสนที่จะทรมานมากทรมานจนกระทั่งว่าต้องหาอะไรนี่มามาระ ง, งับยับยั้งหรือบรรเทาก็คือต้องเล่นโคเคนอีกรอบหนึ่งหรือไม่ฉช่นั้นก็ใช้ยาที่บาวกว่านั้นเช่นแวลเลียมแอลกอฮอล์หรือว่าเฮโร อ, อีน เพื่อที่จะฉุดร่งางไม่ให้มันจมดิ่งลงไปจนเมื่อก็ตนกนรกฉุดขึ้นมานะมันก็ได้ผลนะแต่ว่าสิ่งีตามมาคือติดนะติดแวร์เรียมติดเหล้าติดเฮโรอีนใครการรสชาติของโคเคนที่มันให้ความสุขเรือล้นเนี่ยมันติดใจ ก็อดไม่ได้ที่จะต้องกลับไปหาแต่พอกลับไปหาแล้วได้ความสุขที่เหลือล้นพอมันหมดลิธิ์ก็ดด่งลงมาอีก เ, เหมือนก็ตตกนลกธรรมาชาติของความสุขมันเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่เที่ยงไม่ว่าสุขพ่อะอะไรก็ตามโดวยเฉาสุขจากการเสพเนี่ย มันจะเห็นชัดมากไม่่อจะเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเช่นทางเซ็ก์เนี่ยมันก็ให้ความสุขมากเลยนะแต่ว่าพอมันยุติเนี่ยมันก็เหมือนกับกลับมาเจอความทุกข์นั้นขณะที่หลายคนเนี่ยขณะที่กำลังกลับบ้านเนี่ยรนาะก็มีความรู้สึกห่อหี่ยว ความสึกไม่สดชื่นความรู้สึกที่แฟบตรงข้ามกับความรู้สึกเมื่อสองจวันก่อนขณะที่อยู่ในช่วงขาไปถ้าศึกษาดีมก็จะเห็นเล น, น่าโอให้ความสุขจากการเที่ยวความสุขจากการเสบนี่มันมาไมไ่เป็นสิ่งที่ควรยึดเป็นสาราะได้เลยยิ่งเราปรารถนาความสุขสุดเบี่ยงมากเท่าไหร่มนก็ สุดท้าก็ต้องมาเจอความทุกข์ที่แสนระทมสุขมากก็ทุกมากเนีเดี๋ยวเพราะถ้าเกิดว่าเราไปหลงในสุขหมายครับว่าไปเพลินนะเมื่อสุขก็เพลินกับมันก็ธรรมดาเนเมื่อสุขนั้นหายไปนั้นก็กลายเป็นความทุกข์แล้วก็จมอยู่ในความทุกข์นั้น มันจะดีกว่าถ้าว่าเรารักษาใจไม่ให้ฟูมากถ้าไม่ฟูมากมันก็ไม่ฟุบมากถ้าไม่ลอยสูงถึงเวลาตกลงมามันก็ไม่เจ็บมากหรือถ้าดีก็เป็นความสุขที่มันเรียบๆนะความสุขที่มันเรียบๆเบช่นความสงบเนี่ยอันนี้มันดีกว่าแม้มันอาจจะไม่ ดึงหนูใจเท่ากับความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นเล่าหรือการเสพไอ้ความสุขที่เกิดจากการเสพที่เกิดจากการกระตุ้นเล่านี่มันมันม่รสชาตินะมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเร่าจิตกระตุ้นใจให้ตื่นเต้นไอ้ความสุขที่คนแสวงหาส่วนใหญ่มันก็ลืลกตล่อยู่ในประเภทนี่แหละคือเร่าจิตกระตุ้นกาย ไม่เป็นการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นรวมทั้งการมีด้วยการช็อปนี่มันก็เป็นสิ่งที่เราจิตกระตุ้นกายเหมือนกันนะได้เห็นของแปลกแปล ก, ปลกใหม่ๆและได้มันมาเนี่ยใจมันจะฟูเลยนะใจมันจะฟูเลยก็บางคนนี่ยอมนะยอมเข้าคิวกันนี่หลายชั่วโมงเลยเมื่อเร็วนี้ก็มี คนบอกเนี่ยมันมีก็เปิดนะเปิดสาขาของสมาร์ทนาฬิกาแบบสมาร์ทวอชเนี่ยสองพลดเหลือ7จ0ดนเคนก็แห่ไปเข้าคิวนี่เขายอมเสียเวลานะต้อง 5, 6ชั่วโมงนะเพื่อที่จะซื้อนาฬิการุ่นใหม่ที่ราคา ลดนะยอมเหนื่อยแล้วพอได้มาก็ดีใจนะแต่วันต่อมาปรากฏว่าไอ้บริษัทเดียวกันเนี่ยมันประกาศขายนาฬิการุ่นเดียวกันเลยออนไลน์แล้วก็ลดเหมือนกันด้วยไม่ต้องเข้าคิวนะแค่อยู่บ้านสั่งซื้อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวจ่ายเท่ากันคุณพบว่า ให้ความดีใจนะที่ได้นาฬิการุ่นนี้มานะพระอุตสานะเข้าคิวหชั่วโมงแล้วก็ได้มาดีใจมากพอเจอเข้ประกาศออนไลน์ขายออนไลน์เนี่ยวันลุ่งขึ้นนี้โอ้โหโมโหเลยนะให้ความดีใจรู้มันหาไปนั้นหมดนะมันกลายเป็นความโมโหเหมือนกับถูกหลอก คนอื่นเขาก็ได้นาฬิการุ่นนี่เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเข้าคิวเลยจ่ายเท่ากันด้วยไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลานี่ก็เป็นธรรมชาติของความสุขนะแบบนี้จากการเสพนะจากการมีการได้ยังไม่นับประเภทว่าได้มาแล้วก็ดีใจแต่ว่าพอผ่านไป4 5หวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ให้ความดีใจก็ลดลง เพราะมันเบื่อซะแล้วทั้งที่ยังใหม่แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยอยากได้อันใหม่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวใหม่กางเกงตัวใหม่กระเป๋าใบใหม่ไอ้ใบเก่าที่ซื้อไว้เนี่ยยังไม่ทันได้ใช้เลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาใหม่ๆตอนที่ซื้อใหม่ๆตอนนี้ไม่อยากเหลียวแลแล้วความดีใจนี่มัน อายุสั้นหรือเกินความสุขที่เกิดจากการเสพก็อย่างนี้แหละมาเร็วไปเร็ ว, สวเสน่ห์ของมันคือว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เหมือนความสงบนะหรือความสุขจากการสวดมนต์ความสุขจากการเป็นจิตอาสาเนี่ยโอ้มันช้าแล้วก็มันก็ไม่หวือหวา ไม่เหมือนความสุขจากการเสพจากการเที่ยวนี่มันน่ยมันมวือหวายเลื่อนมันช่วยให้ดื่มดั่มแต่มันก็หมดเสน่ห์ได้เร็วแล้วมันก็เห็นแล้วนะคนเราเนี่ยเวลามีความสุขเนี่ยที่จริงเราก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธความสุขนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่ก็ต้องรู้ว่าธรรมชาติของความสุขมันเป็นอย่างเนี้ คือถ้าคือมันไม่เที่ยงและถ้าเกิดว่ามีแล้วไม่รู้ทันนะไปกระโจนเข้าไปคณเราจะกระโจนเข้าไปในความสุขเนี่ยถึงเวลาสุขกลายเป็นทุกข์เนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะกระโจนเข้าไปนะในความทุกข์จิตที่ง่ายที่จะถลําหรือกระโจนเข้าไปในความสุขเนี่ยเวลาความทุกข์ เกิดขึ้นตามมามันก็กระโจนกระโดดถล่มก็ไปเหมือนกันเหมือนกับเวลามีคนชมเราเนี่ยโอ้เราปลื้มมากเลยแต่พอเราก็าําหนิเราเนี่ยความสุขมันตรงกันข้ามมันตลปัดเลยนะกลับตลปัดเลยทอเหี่ยวกลุ้มใจนอนไม่หลับถ้ามีคนถามว่าทำไงถึงจะไม่ทุกเวลาคนเขาตาหนิเอยวิจารณ์หรือต่อว่า จริงๆก็ไม่ยากนะก็เวลาเขาชมเราก็จะไปปื้มหลงไหลดีใจใจมันฟูก็เห็นมันใจมันสุขพอใจก็เห็นมันแต่ไม่กระโจนเข้าไปเพราะถ้ากระโจนเข้าไปในสุขถึงเวลาเจอทุกข์มันก็กระจวนเข้าไปในความทุกข์หรือทลมาข้าไปในความทุกข์เหมือนกันตอนเราเพลินในสุข ก็ง่ายที่เราจะจมในทุกมันไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แล้วถ้าเพลินในสุขเมื่อไหร่เนี่ยสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการที่จมในทุกนะเพราะว่าหนึ่งธรรมชาติของความสุขเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างที่บอกสองเราวางจิตวางใจไม่ถูกต้องเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะรู้ทันมันก็กระโจนเข้าไป ถึงเวลาสูงกลายเป็นทุกข์เพราะว่าความสนุกมันหมดไปเพราะงานเลี้ยงเลิกลาหรือว่ารักที่เคยหวานชื่นเนี่ยมันมันไปเป็นอื่นให้ความสุขที่โจรที่กระโจนที่ถลเขก็ไปเนี่ยมันกกลายเป็นความทุกข์ที่ กระโจนถล่มเข้าไปเหมือนกันงั้นถ้าใจดีเนี่ยเราอย่าไปแสวงหาความสุขที่เกิดจากการเสพความสุขที่เกิดจากการกินดื่มเที่ยวเล่นเลยหรือว่าอย่าไปอย่าไปเพลินกับความสุขที่มันหวือหวาเราใจเพราะว่า มันล้วนแต่ไม่เที่ยงที่จริงความสุขที่จะเบียดมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะความสุขจากความสงบเนี่ยหรือความสุขจากสมาธิมันก็ไม่เที่ยงแต่ว่าสุขประเภทนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยไมได้ถึงกับทำให้ใจเราฟูลอยสูงถ้ามันทำให้เราใจเราฟูลอยสูงเนี่ยนะ ถึงเวลามันหมดลมหมดฤทธิ์มันก็ตกลงมาเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเนี่ยไอความสุขจากโคเคนความสุขจากยาเสพติดเนี่ยโอ้มันเหมือนขึ้นสวรรค์เลยแต่พอมันหมดฤทธิ์เนี่ยมันยิ่งก็ตกนรกอยู่มันไม่คุ้มกันเลยเราพอใจในความสุขที่เรียบเรียบดีกว่าความสุขที่ไม่บื่อวาจถึงแม้ว่าสุขนั้นเนี่ยมันจะกลาย มันจะไม่เที่ยงถึงเวลาหายไปเราก็ไม่ทุกมากนะเหมือนว่าถึงตกก็ไม่เจ็บมากเพราะว่ามันไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ดีเนี่ยก็ไม่เพลินไปกับมันดีที่สุดแม้จะเป็นสุขที่เกิดจากความสงบเพราะว่าถ้าเราเพลินกับมัน ถึงเวลาที่มันหายไปเราก็จะทุกข์เหมือนกันนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยปฏิบัติบางวันนี่มันมีความสงบมากเลยแล้วก็เพลินกับมันดื่มด่ำกับมันพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันไม่สงบเหมือนวันก่อนมันมีความคิดมันมีฟุ้งซ่านเยอะหลายคนนี่กลายเป็นหงุดหงิดไปเลยนะีเพราะเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็คือว่าอย่ากระโจนเข้าไป หรือพูดอย่างครูบาจารย์คือว่าเฮ้ยมันเห็นเฉยเฉอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปเป็นแค่ดูมันเวลาสงบก็เห็นมันเวลาไม่สงบก็เห็นมันมันก็ช่วยทาให้ใจเนี่ยอยู่ในภาวะที่ ป, ปกติเ ร, เรียบเรียบแต่มันก็มนะีความสุขของมันพอใจในความรู้สึกที่เรียบเรียบนะ ดีกว่ารุมหลงในความสุขที่มันเบือหวาเพราะว่าถึงเวลาที่ความสุขนั้นมันดับไปก็มอนก็ตกจากที่สูงเพลินในคำชมคำสรรเสริญพอเจอคำตาหนิเขาก็ทุกข์เลยหรือแม้ไม่เจอคำตำหนิเพียงแค่ว่าความสรรเสริญมันหายไปก็เหมือนตกลงจากที่สูงเจ็บทุกข์ นเนี่ยถ้าเราศึกษานะเอาสังเกตประสบการณ์ของเราในช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็จะให้บทเรียนกับเราว่าหนึ่งเนี่ยเราควรนะรู้จักเลือกเฟ้นความสุขที่พึงปรารถนาอย่าไปพึ่งพาความสุขจากการเสพความสุขจากการความสุขที่เกิดจากความสนุกนะรู้จักเข้าถึงความสุขที่ประณีต ที่ไม่ต้องอาศัยการเสพการปลนเปลอไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางกายซึ่งทางพ า, า, ารากิมาสุขแ ต, แต่จริงเนี่ยมันก็ยังไม่คลุมไปถึงความสุขจากการที่เสี่ยงอันตรายนะความสุขจากการเสี่ยงอันตรายนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมมากเสี่ยงอันตรายรถซิ่งรถแข่งปีนเขาโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ นะพวกนี้ก็เป็นความสุขของคนจํานวนหนึ่งซึ่งมันก็ให้ความสุขเพราะมันเราจิตกระตุ้นกายนะมันทําให้เกิดความตื่นเต้นนะอันนี้มันเป็นมากกับความกามาสุขเราต้องเข้าใจธรรมชาติแหงความสุขแล้วเข้าถึงความสุขที่ประณีตหรือรู้จักหาความสุขที่ประณีตมาแทนความสุขที่หยาบและ2เกี่ยวข้องกับไม่ให้ถูกด้วยนะแม้จะเป็นความสุขที่ประณีตก็ให้มีสตินะไม่ไม่เพลินในสุขมันจะไม่จมในทุกข์ ก็คือไม่ก็คือรู้จักเห็นมันไม่เข้าไปยึดก็ไม่เข้าไปเป็นมันเข้าไปเป็นเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแม่ชีแรกมันจะเป็นสุขแต่ต่อมามก็จะกลายเป็นทุกข์เข้าไปยึดอะไรนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าแม่ชีคนหนึ่งเนี่ยนะประเทศจีนเนี่ยนะกลางคืนนี่ก็จะหาบน้ําน้ํานี่ก็หาบด้วยถังไม้ไผ่ถังไม้คือคนหนึ่งที่กำลังหาบน้ําเนี่ยซึ่งก็หนักนะ กวคืนนั้นเป็นคืนวันเพลนค่ะที่หาบน้ําเนี่ยก็เห็นเงาดวงจันทร์เนี่ยนะอยู่ในถังนั้นเนี่ยหนักก็หนักนะแต่ว่าก็เห็นดวงจันทร์ที่สวยงามนะในถังน้ํานั้นจะจูจูเนี่ยฐานไม้ของถังนั่งเนี่ยมันก็หลุดลงมาน้ําทั้งหมดเนี่ยก็ ล่วงหลนหมดเลยน้ำก็หายไปเงาของดวงจันทร์ก็หายไปด้วยในช่วงเวลานั้นเนี่ยแม่ชีคนนั้นนี่ซึ่งปฏิบัติมานานนะแต่ไม่เข้าใจทำแต่มวเม้นนั้นขณะนั้นเองเนี่ยเห็นแล้วบรรลุธรรมเลยขณะที่น้ำมันหล่นหายหล่นลงจากถังพร้อมๆกับเงาดวงจันทร์ บรรลุธรรมเลยนะบรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะเห็นสัจธรรมเลยนะว่าถ้ายึดเอาไว้เนี่ยมันก็หนักนะถ้าปล่อยเมื่อไหร่หรือวางเมื่อไหร่มันก็เบาแล้วมันไม่ใช่แค่ทุกอย่างเดียวนะสุขด้วยนะน้ำหนักของน้ำเนี่ยในความรู้สึกของแม่ชีเนี่ยคือทุกข์แต่ว่า ดวงจันทร์เงาวดวงจันทร์ที่สวยงามเนี่ยคือสุขมันก็อยู่ด้วยกันนะในถังน้ําแต่พอน้ําหายไปหมดพอถังน้ํามันไม่ยึดไม่เกาะน้ําอีกต่อไปเงาวดวงจันทร์ก็หายไปด้วยหลวงพ่อชาตบอกว่าทุกหลุดเพราะปล่อยนะทุกมีเพราะยึดทุกหลุดเพราะปล่อยแม่ชีเนี่ยเห็นเลยนะโหเมื่อปล่อยเมื่อไหร่เมื่อวางเมื่อไหร่ทุกมันก็หายไป สุขก็หายไปด้วยนะไม่ยึดทั้งทุกและสุขเห็นธรรมเลยในะนการไม่ยึดนะทั้งสุขแล้วก็ไม่ยึดทั้งทุกเรียกว่าอยู่เหนือทุกอยู่เหนือสุขเนี่ย น, นี่แหละคือสัจธรรมงั้นถ้าเราลองฝึกนะเออฝึกจากการสังเกตจิตใจของเราเวลามันมีสุขเกิดขึ้นก็เห็นมันมีความดีใจก็เห็นมัน มีความเสียใจก็เห็นมันไม่กระจจนเข้าไปทั้งดีใจหรือเสียใจฟูก็เห็นมันฟุบก็เห็นมันไม่เข้าไปยึดทั้งฟูทั้งแฟบนะมันสงบก็เห็นมันมันไม่สงบก็เห็นมันมันสงบก็ไม่เข้าไปเป็นไม่สงบก็ไม่เข้าไปเป็นต่อไปอารมณ์ภายนอกก็เหมือนกันนะหอมเหม็นมากน้อยนะร้อนหนาว ชมติดังค่อยก็แค่รู้มันนะไม่เพลินไปกลับมาแล้วก็ไม่ผลักมันนั่นก็ทำให้เราเข้าใกล้เข้าถึงภาวะที่เหนือสุขเหนือทุกข์และนั่นก็เรียกว่าเป็นสุขอีกมิติหนึ่งนะฝึกได้นะจากใจของเรานะจ๊ะ ประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเอาคานี้พูดตอนนี้นะอคอั